ทำไมทำดีแล้วถึงยังลำบากไม่ได้ดีสักทีความรู้สึกสงสารตัวเองเป็นเครื่องวัดว่าเรายังดีไม่พอยังดีไม่เข้าถึงจิตถ้าหากรู้สึกว่าเราทำดีแล้วแต่ยังสงสารตัวเองอยู่ขอให้บอกตัวเองว่าความสงสารตัวเองนั้นเป็นเครื่องวัดว่าเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่เข้าถึงจิต ถ้าดีจนเข้าถึงจิตแล้วจะไม่มีอาการสรงสารตัวเองจะไม่มีอาการถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดีเราเราได้ดีตั้งแต่ทำแล้วมีความรู้สึกชุ่มชื่นใจหล่อเลี้ยงตัวเองและจะบอกตัวเองได้ว่าถึงแม้จะต้องตายไปด้วยความลําบากทางกายแต่มันสบายใจอยู่อย่างนี้เรายอมคําว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีสักที ไม่ได้ดีภายนอกรู้สึกสงสารตัวเองว่าอุาสตสาห์ทาดีมาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองทำไมไม่ช่วยอะไรอย่างนี้ทำดีมาหลายปีแล้วทำไมยังลำบากอยู่ขอให้เข้าใจว่าความดีไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้นความดีช่วยให้สบายใจขึ้นเวลาคนเรามาถึงทางตันมาคิดไม่ออกจริงๆนะว่า เหตุผลที่ถูกต้องสมควรกันคืออะไรอย่างเช่นหลายคนบอกว่าขายของไม่เป็นไม่อยากค้าขายเสร็จแล้วก็กลับบ่นว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีทั้งทั้งที่ก็ยืนมือรับเงินเดือนเท่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขยับที่จะคิดแตกต่างจากเดิมหาทางไปเรื่อยๆด้วยวิถีทางที่ถูกต้องในที่สุดจะหาทางเจอนะครับ เวลาทำมาช่วยกุ้งครองไม่ให้เรายากลําบากบางทีก็ผ่านวิธีส่งคนมาส่งวิถีทางส่งช่องทางอะไรมามากมายแต่หลายคนปฏิเสธสิ่งที่จะทําให้พ้นจากความลําบากทางการเงินคือหัวคิดความฉลาดในการหาเงินและต้องเป็นความคิดที่ต่างจากที่กําลังคิดอยู่แต่ถ้าหากว่าวิธีการหาเงินยังเป็นเหมือนเดิมก็จะยังจนเท่าเดิม